ถ้าขอบรรดาทุกท่านรับฟังคําแนะนําในการเจริญพระธรรมฐานอันดับแรกก็ขอพูดเบื้องต้นก่อนเพราการมาฐานจริงๆก็สาคัญที่เบื้องต้นเอาไว้รอดญาติโยมที่ฟังไม่ต้องกพนมมือโยมหน้าหนูมือลงลูกเดี๋ยวจะเมื่อยมือเันนาน่การเจริญพระธรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันดับแรกก็เพื่อทรงสติสัมปชัญญะ ที่เราเรียกว่าสมถะภาวนาสมถะภาวนาที่ปฏิบัติเพื่อให้มีสติสมัมัญญาสมบูรณ์ตอนถึงวิปัสสนาภาวนาก็ต้องการให้มีปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงทั้งหมดที่พระเจ้าพุทธเจ้าทรงสอนก็ต้องการให้ทุกคนพ้นจากความทุกข์ ทำมาทุกข์ก็หมายความทุกแต่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ก็มีจุดเดียวคือนิพพานจะได้การปฏิบัติกมาถ่ายของบรรดา ญ, ญาโยพุทธบริษัทด้ยวยการบำเพ็ญกุศลก็ตามทุกอย่างเป็นการทําไปเพื่อโสนิพพานอย่างที่บรรดา ญ, ญาโยพุทธบริษัททุกคนถวายสังฆทาน การถวายเครื่องทานา ก, ก็เป็นทานใหญ่ในบรรดาทานทั้งหมดทั้งนี้เว้นไว้แต่วิหารทานอย่างเดียวที่มีความยิ่งใหญ่กว่าสองทานตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการถวายทานแด่พระอราหันต์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระบเจยพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบเจยพพุทธเจ้าร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานเดชสมเด็จตัวสัมมาทิฏฐิเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานเดชสมเด็จตัวสัมมาทิฏฐิเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสชงอัานหนึ่งครั้งา ก, การถวายสชิงอัฐานรดาพระพุทธบริษัทก็ถือว่าเป็นยอดของของถานทั้งหมดในการถวายสชงอัานก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดโลภความโลภ ก็การจะไปทิพานนั้นต้องตัดกิเลสรากเห ง, าง้ากิเลสสามอย่างได้ขึ้นหนึ่งโลภความโลภโงงโทสะความโกรธสามโมหะความหลงวันนี้ติดเบื้องต้นบรรดาท่านพุทธบัตรจัมมัยศัตทําแล้วคือแต่ไหวท า, านเป็นตัดใจส่วนหนึ่งการตัดความโลภเป็นการตัดกินกรน้อยในการต่อไปบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ตั้งใจแล้วจะมาทานศีล สี่นี้เป็นปัจจัยตัดโทโทสะความโกรธแล้วคนที่จะมีสินได้ต้องมีคุณธรรมสองอย่างเป็นกรณีพิเศษคือหนึ่งเมตตาความรักสมุณาความสงสารถ้าข Ohh, าดเมตตาความรักขาดกุณาความสงสารสินไม่มีอันนี้คนที่จะทรงศินได้เพราะมีเมตตาความรักกุณาความสงสารเมตตาความรักกุณาความสงสารนี้เป็นธรรมะที่ตัดโทโทสะความโกรธโดยตรง ต่อไปการเจริญภาวนาก็เป็นการตัดโมหะความหลงอันนี้ขอพูดต่านี้ <c oughs> ตอนนี้เวลาเจริญกรรมาฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนที่จะเจริญกรรมาฐานในการปฏิบัติกรรมาฐานเพื่อหวังผลจริงๆต้องการให้ได้ดีจริงๆขาทำกันอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนํำให้ดาวธุลบริการสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่เ็ ท่า น, นบอกว่าดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทแผ่ด้ิกตาไปในจักรวาลทั้งปวงทำความรู้สึกของตัวเองว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งโลกเราจะเป็นเมตทีดดีเป็นเพื่อนที่ดีกับคนแลสัตว์ทั้งโลกและบริการที่สองถ้าใครมีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข ถ้าเกินวิสัยแล้วก็เฉยไว้ก่อนเรื่อการที่สามเราจะไม่ชฉาที่เสียไข่เร่งใครได้ดีพอยินดีด้ดวยแล้วก็เรือการที่สีอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือกับเพื่อนของเราก็ตามทีถ้าสิ่งนั้นเกินวิสัยที่เราจะทำได้จะตําจัดได้เราถ้ามันเกินวิสัยเราจะวางเฉย กันบอกว่าให้ทุกคนสร้างอารมณ์แบบนี้ก่อนอย่าลืมว่าก่อนภาวนาก่อนทําอะไรทั้งหมดกําหนดใจคิดว่าเวลานี้เราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเราจะไม่เป็นศัตรูของใครเราจะคิดว่าคนก็ดีสักว์กดีทั้งโลกเป็นมิตรที่ดีของเราเราจะเป็นมิตรของเขาเขาอาจจะมีความเข้าใจต่างกับเราก็ช่างเขา แต่เราไม่เป็นศัตรูกับเขาถ้าทําใจอย่างนี้ก็ค่อยฝึกใจจิตใจจะเยือกเย็นเมื่อจิตใจเยือกเย็นแล้วต่อไปสินก็บริสุทธิ์ต่อไปเรื่องหน้าก็ตั้งใจชาระศินว่าปกติเรารักษาสินอะไรถ้าเรารักษาสินห้าก็คิดถึงสินห้าว่าระบบทค่องในสินห้าข้อไหนบ้าง ถ้าข้อไหนที่เคยบกพร่องเราจะมัตตาวังไม่ให้บกพร่องหรือว่าถ้าเรารักษาสินแปกก็ชำระสินแป ก, 10, ก, กหรือเราสาจะหมดสิบก็จะระจะหมดสิบดูว่าสินที่เราษาเรารักษาอะไรชำระให้บกพร่องใ ห, ให้ส่งตัวเราะว่าถ้าเรามีเมตตาความนักตุนนาความสงสารตามที่กล่าวมาแล้วข้างตง้นสินจะส่งตัวเมื่อสินส่งตัวสินบริสุทธิ์บริบูรณ์จิตก็เยือกเย็น มีความเยือกเย็นเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสมาจิตมีความเยือกเย็นสมาธิตกเกิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาก็เกิดเองคําว่าปัญญาตัวนี้หมายถึงปัญญาเป็นเครื่องแต่กีเล็กในเมื่อเราไข้โ ค, คนในด้านเม่ตายกรุณาทั้งสองรายการกับสิ่งครบถ้วนเห็นว่าทุกอย่างครบถ้วนดีแล้ว หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณทิตแก้วกออ็ทรงตรัสว่าต่อไปก็ให้นึกถึงนิวรณ์ห้าแปราการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาความรักก็ดีกระดาความสงสายก็ดีและศินก็ามอย่างนี้ต้องรักษากันตลอดวันแต่มาถึงจุดของนิวรห้าแปราการนี้ให้ระ ง, งับเฉพาะโซ่คราวคือว่าในเวลาที่เราจเจริญกรรมฐ า, าน หรือเวลาที่เราต้องการใช้การสมาบัติหรอต้องการใช้ทิพยานเพื่อรู้เวลานี้ต้องระ ง, งับนิวนรณ์คือเวลาเจอไปแก็ท่านบอกให้ตั้งกายให้ตร ง, ด, งดํารงจิตให้บั่นกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแต่ก่อนหน้านี้ต้องคิดถึงนิวรณ์ห้ารายการก่อนเพราะว่านิวรณ์ห้ารายการนี้พุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นกิเลสยาที่ทําบัญญญาให้ถอยหลัง นั่นจะหมายความว่าถ้านิวร อ, อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาจะเรียกว่าการเจริญกรรมาฐานต้องมีครบสามอย่างคือสินสมาธิปัญญาแต่ว่าถ้าไร้ปัญญาแคอย่างเดียวสมาธิก็ไม่เกิดในเมื่อสมาธิไม่เกิดปัญญาแมก็ไม่เกิ ด, ญญกกดนิวนนรณ์รน้าบรกที่เราควรจะระ ง, งับเวลาที่จเจริญภาวนาก็คือหนึ่ง ความรักในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพีิดรการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรการที่สามความง่วงรการที่สี่อารมณ์พุ้งสร้างเกินไปรการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติวันนี้ถ้าปฏิบัติมโนยุทธิคือวิชาสามเรื่องปัญญานี่สําคัญตัวสุดท้ายค็อตัวสงสัยกลงความว่าทั้งห้าอย่างนี้เวลาที่เราพาวนาก็าดีที่จะานายก็าตามจะไม่เอาจิตเข้าไปยุ่งกับมันเลยก <c oughs> ็ทําใจลืมทั้งโศ่ร่าวจะพราะเวลาที่จะเรียกรรมฐานเพราะว่านิวรณ์ห้าประการนี้ตัดจริงๆไม่ขาด จะตัดขาดจริงๆได้สองตัวข้อต้นต่อเมื่อเป็นพระอนาคามีถ้ายังไม่ถึงอนาคามีสองตัวต้นก็ยังไม่ขาดจะตัดขาดได้ห้าตัวต่อเมื่อเป็นพระอรตะผลฉะนั้นเป็นว่าเบื้องต้นเราตัดที่วอนไม่ได้ก็ขอร่างับช่วยเวลาหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นแล้วก็พิจารณากรรมาฐานตามกองแต่สาหรับวันนี้จะงดเรื่องกสิน ทุกวันก่อนหน้าการแนะนําการเจริญมโนยิทธิจะแนะนำในการสินวันนี้งถโชคคราวรถในแต่ลวันเพราะญาติโยมมามากด้วยกันบางทีก็บางท่านก็สนใจบางท่านก็ไม่สนใจอันนี้เป็นการแนะนําใส่ความรู้ให้เต็มกับให้มีความรู้เต็มวันนี้ก็จะขอแนะนำํำในการปฏิบั ต, ติมโนยิทธิและผลมโนยิทธิเลยคําว่ามโนยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจ ทั้งนี้บรดาญาโยพระธบริษัจตู้ทราบว่ากรรมฐานที่จเจริญกันจริงๆน้ทหารตำเกณกองใหญ่จริงๆมีสี่สิบกองในสี่สิกอง น, องนี้บรรดาญาโยพระธบรมสัจจะปฏิบัติกองใดกองหนึ่งก็ได้ทุกกองมีกําลังถึงพระราหันต์หมดปิพันธ์ได้หมด ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้แค่สี่สิบกองเพราะว่ากําลังใจของคนไม่เสมอกันคือมีกําลังใจคนไม่เท่ากันบางคนบันทีบันบังเป็นบารมีมามากบางคนบําเป็นบารมีมาน้อยตอนนี้กําลังใจที่ทรงตัวอยู่ท่านจัดเป็นจริตได้หกจริตคือมีราคฆจริตโทสะจริตโมหจริตวิตตกจริตสัทธจริตพุทธจริต คำว่าจริตก็คืออารมณ์ของใจจริตทั้งหกนี่ความจริงมีด้วยกันทุกคนทุกคนมีครบหกอย่างแต่ว่าจะมาจริตอย่างไหนมีกําลังกล้าและเรี่ยวแรงมากถ้าอย่างไหนแรงมากก็ต้องตัดกําลังกล้ากําลังกล้าจริกตกอง น, นั้นก่อนจากนั้นพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดกำมาฐานไว้ถึงสี่สิบกองแต่ว่าเป็นกำมาฐานเฉพาะจริตจริงจริง สามสิบกองเป็นกรรมฐานกลางจริตไหนก็ปฏิบัติได้เด็กสิบกองในจำนวนกรรมฐ า, านสี่สิบกองนี่ท่านแยกเป็นหมวดและเป็นสี่หมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขาวิปัสสโกหมวดนี้ตามที่ทั่วทั่วไปปฏิบัติกัน <c oughs> แต่หมวดนี้มีสมาธิได้มีฌานสมาบัติได้ แล้วก็เป็นผ้ า, ห, า, า, าหันได้เป็นะโสดาคีทาคาหันได้เหมือนกันแต่ไม่มีความเป็นทิพย์ของจิตไม่เห็นผีไม่เห็นนรกสวรรค์บทที่สองที่ว่าเ ต, ว, เต ว, วิโชคือวิชาสามบทนี้อันดับแรกต้องฝึกทิพกุยานก่อนเมื่อได้ทิพกุยานเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์ญญแล้วเห็นอะไรก็ได้ตามใจชอบต่อไปก็ฝึกระลึกชาต เมื่อฝึกระลึกชาติได้แล้วต่อไปก็ฝึกความเป็นมน โ, โดสถีธาคานาชารหันเมื่อได้เป็นพระอริยเจ้าจะเป็ น, นโสโดาบังขึ้นไปเทียวพระวิชาสามวดที่สามเรียกว่าชละพิงโยเือปิญญา 6. หกวดนี้มีความเป็นทิพย์ด้วยสา ม, มารถเคลื่อนไปในภพต่างๆได้ด้วยอย่างที่บรรดา ญ, ญาโย จ, จะปฏิบัติวันนี้เป็นบดที่สาม้ชนะพิงโยในบดข้อปิญญา ได้หมดที่สี่ไไปชนิดทายานหมดนี้มีความฉลาดมากะนั้นการเจริญกันมาถายเขาบรนดาแทนพุทธริสัชน์ที่ปฏิบัติกันมาจึงมีผลไม่เสมอกันแต่ว่าชื่อว่าขึ้นชื่อว่าคุณสมบัติทุกหมวดมีฌานสมาบัติได้แล้วก็เป็นพระอธิยเจ้าได้ปนานิพาน์ได้เหมือนกันหมดตอนนี้ก็เวลาก็เหลือก็ชั้นก็นมาขอแนะนาําวิธีปฏิบัติสําหรับมโนยิธิ คำว่ามาโนยิทธิแปลว่ามีริธทางใจอย่าลืมว่าเป็นหมวดของอภิญญาทาญาโยนที่ปฏิบัติมาในด้านสุขาัทรโกก็จะแตกต่างกันไปหมวดนี้อันดับแรกทุกคนจะต้องทำทิพป์ปัญญาให้เกิดก่อนทะนี้ในสมัยก่กอนนสมัยว่าจะมาฝึกมาในตอนต้นมาก่อนนี่ไม่มีครูฝึกให้ ทุกคนแลรพระทุกองค์จะต้องนั่นใช้หนังสือวิสุทธิมรตเอานังสือวิสุทธิมรตมาดูแล้วก็ปฏิบัติตามหนังสือผิดมั่งถูกมั่งถุกมั่งผิดมั่งก็ต้องใช้เวลากันมากบางองค์อย่างเร็วกว่าจะได้ก็ใช้เวลาถึงสิบปีบางท่านก็ต้องใช้เวลาทึงยี่สิบปีบางรายสามสิบปีเสียตายไปเลยไม่ได้ แต่ว่าเวลานี้มันแนะต่ํากันเพื่อความเข้าใจก็รู้สึกวันสวัยก็ได้กันนันอยู่ที่ความเข้าใจตัวเดียวความเข้าใจอันดับแรกของการปฏิบัติได้พิญญาด้วยวิชาสามก็คือทิศจุญฬานถ้าเข้าใจตัวนี้เสแล้วอะไรก็ได้หมดตอนนี้สมัยก่อนคําว่าทิศจุฬาลมีความเข้าใจว่าลูกตาเป็นทิศอันนี้มันผิดเพราะคนจะมีลูกตาเป็นทิศไม่ได้ เพราะคนมีร่างกายเป็นเนือจะมีลูกตาเป็นทิพย์มันต้องมีกายเป็นทิพย์อย่างเทวดา ห, หรือนางฟ้าหรือผมอย่างมนุษย์ทั้งหมดนี่ไม่มีลูกตาเป็นทิพย์แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงมีทิพย์คุ ย, ยานไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์หมือนกันเราจะมีได้แต่เฉพาะทิพย์ไุยานขอแปลธรรมญาณธรรมญาณนี่แปลว่ารู้ไม่ได้แปลว่าเห็นจำไม่ดีนะ แค่แปลเกมสักก็แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาคิดคือทําใจให้เป็นทิพ์นั่นเองทุกอย่างอาศัยใจความรู้สึกเข้าใจแต่ความรู้สึกเข้าใจนี้จะมีผลไม่เสมอกันแต้มกาลังใจของบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทถ้าญาติโยมคนไหนมีกําลังใจสะอาดน้อย จิตเวลาปฏิบัติจริงๆจิตสะอาดจจกิเลสน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจบอกว่าเป็นอย่างนั้นบอกว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าจิตจะไม่เห็นภาพนีจะสะอาดน้อยไปบางท่านมีจิตสะอาดกัางกลางเมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นจิตจะเห็นภาพแต่ก็ไม่ชัดเจนบางท่านมีจิตสะอาดถึงที่สุด เมื่อจิตมีความรู้สึกขึ้นจิตเห็นภาพ ช, ชัดเนจนแจ่มใสามากมันอาจจะเห็นชัดกว่าที่เรานั่งเห็นนั่งเห็นโยมนี้ตอนนี้อันดับแรกของบรนดา ญ, ญาโยมพระธบริสัจให้เข้าใจออาธรรมทิพยานตามนี้ให้ถือว่าถือความรู้สึกเของอารมณ์แรกเป็นสาคัญถ้าครูเขาถามเขาสอบให้ถือความรู้สึกแรกถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นอยังไงตอบตามนั้นทันทีอย่างนี้ไม่ผิด แล้วต่อไปถ้าทำยังคล่องสภาวะจะแก่มใสต่อไปการเห็นภาพจะชัดเจนแย่มใสเองถ้าฝึกได้คล่องตัวแล้วนี่มาว่ากัะทึ้งผลผลที่เราฝึกมโนยิธินี่มีลิกทางใจมีผลอะไรบ้างในเมื่อเรามีกำลังใจเป็นทิศทุกสิ่งทุกอย่างเราจะรู้ได้ทางกำลังใจ อย่างที่บรรดาญาโยงพริตระกิริศกี้น้ถวายสังฆทานกันมากในเมื่อท่านถวายสังฆทานแล้วถ้าก็อยากจะทราบว่าผลในการถวายสงฆทานมีผลถึงไหนเราก็ติดตามผลว่าผลกทานที่เราให้แล้วนี่ถ้าเราตายจากชาตินี้ไปผลจะไปคอยกันที่ไหนความจริงอะไรผลมันไม่คอยอยู่แล้วถวายปุ๊บมันก็รากดปั๊บอยู่ ถ้าสมมติว่าเจะเ ก, เกิดไปสวรรค์เกิดเป็นสวรรค์ชั้นไหนมีสภาวะเขาวิมานไปยังไงวิมานไม่เกิดแล้วพันถวายตาสินใจถาวายมันก็เกิดทันทีวิมานอยู่ชั้นไหนรูปร่างวิมานไปยังไงจะมีนางฟ้าเป็นบริบาลเท่าไหร่อันนี้ไม่เกิดแล้วเราจะเห็นได้ทันทีแล้วว่าการที่บรรดาญาโยพัติบริษัทธ์บำเพ็ญกุศลมาแล้วทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน ผลทั้งหมดที่เราทํานี้นั่นจะส่งผลไปที่ไหนเราจะสามารถที่สูจน์ในความประทิพย์ได้ ท, ทันทีอันนี้เรื่องความอธิคุญญานเราสามารถรู้ได้ในเมื่อได้อธิคุญยานแล้วต่อไปถ้ามีการคล่องตัวก็จะได้ญาณต่อไปเป็นญาณที่สองคือจูตูปปาฏิญาณจูตูปปาฏิญาณ น, นี้จะแปลรู้การเกิดและการตายของสัตว์นั่นก็หมายความถ้าเราเห็นคนเราเห็นสัตว์ เ้าอยากจะทราบว่าคนแลสัตว์ผู้นี้ก่อนเกิดมาจากไหนมาจากนรกหรือมาจากเปรตมาจากสุรกายมาจากสตรีฉันมาจากคนมาจากนางฟ้าทวาดาหรือเปลเราจะทราบได้ทันทีถ้ารู้ข่าวคนตายว่าคนตายและสัตว์ตายได้ไอยู่ที่ไหนเราก็ทราบได้เขาอยู่อยู่ที่ไหนมีความสุขความทุกข์เพรอะไรเป็นเหตุต่อไปอยาทีสามก็ปกเพนิวาสารุติยายคือระลึกชาติได้ เราสามารถจะลึกชาติได้ทุกอย่างทุกชาติการที่เราต้องการว่าเคยเกิดอะไรมาบ้างรูปร่างหน้าตาเปียงไงมีความมีอยู่เปียังไงนี่เรารู้ต่อไปยานที่สี่เขาไดเจโตรยายาิญาญคําว่าเจโตรยายาิญาญแปล ร, รู้กําลังจิตใจของคนอื่นมันนึกคิดยังไงอย่างเราเห็นหน้าคนได้เห็นหน้าสัตว์เรารู้จักชื่อคนรู้จักชื่อสัตว์ เราอยากจะทราบว่ากําลังใจของคนคนนี้มีบาปมากหรือมีบุญมากเวลานี้มีความรู้สึกดีหรือมีความรู้สึกชั่วนี้เราจะรู้ได้ทันทีแต่ว่าถ้ารู้แล้วก็ต้องเฉยนะเป็นลีลาเป็นมันญ่าดของนักปฏิบัติหรือว่าเราต้องการอยากจะทราบว่าคนคนนี้กําลังใจขนาดนี้ถ้าตายเวลานี้จะไปนรกหรือไปสวรรค์เจตรวิญญาณจะบอกภาพของเขาในปัจจุบัน ว่าภาพในทิศมานกายของเขามันเป็นภาพสัตว์นรกก็ภาพเปรตผ้าสุรกายภาพสัติฉันหรือภาพมนุษย์ภาพนาค้าแค่ภาพเทวดาภาพพรหมคือใจของเขาที่เราเรียกว่าใจที่ตามศัพท์ภาษาก็เป็นบัตน้องเรียกว่าทิศมานกายมันเป็นกายอันหนึ่งกายนั้นจะแสดงออกว่ามันจะเป็นกายอะไรถ้าเป็นกายสัตว์นรกเราจะทราบได้ทันทีว่าเขาผู้นี้ตายเวลานี้ต้องไปนรกกันแน่อันนี้เราทํากันได้ แล้วต่อไปก็อตีตังษยานเหตุการณ์ในอดีตยังประวัติศาสตร์ที่ร่วมมาแล้วอ น, นาคตตังษยานรู้เหตุการณ์ในอนาคตว่าข้างหน้าเราหรือเขาผู้นั้นต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นยังไงปัดจุบ ป, ปัดตังษยานอยากจะทราบว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขที่มีความทุกข์เรารู้เราทราบได้ยาถากรรมตายานกฎของกรรมคนที่มีความสุขก็ตามมีความทุกข์ก็ตามเราก็ตามเขาก็ตาม ทั้งหมดนี้ที่มีความสุขความทุกข์พระอาศัยกรรมอะไรใช่ก่อนทำอะไรว่าไปเองอันนี้เราทราบได้ก็รวมความว่าทั้งหมดนี้ถ้าได้ยานทุกยานแล้วก็เป็นปัจจัยถึงมรรคพันโดยง่ายเพราะเรารู้จริงตอนนี้เหลือเ ว, วลาห้านาทีก็มาพูดถึงเวลาปฏิบัติเวลาปฏิบัติเขาบรรดาเป็นพุทธบริษัทอันดับแรกกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกคืออันดับแรกไหม หายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเวลาหายใจเข้านึกตามมันนะมะเวลาหายใจออกนึกตามมาภาชะคำภาวนาเนั้นใช่สี่คำถ้าเอถามว่าเป็นกรรมฐานกองไหนคำภาวนานี่ก็ต้องถือว่าเป็นกรรมฐานเป็นจัตุท่านกรรฐานสี่ในกรรมฐานสี่สิบ หายใจเข้านึกว่านะมะหายใจออกนึกว่าพระคะขณะที่รู้ลมหายใจเข้าใหใจออกก็ดีรู้คำภาวนาก็ดีในตอนนี้ความเป็นทิพย์ขอจิตยังไม่เกิดเป็นได้เพียงว่าต้องการให้จิตมีการทรงตัวรวบรวมสติและไม่ชัญญะให้ทรงตัวเท่านั้นเองที่เรียกว่าสมาธิ เวลาที่ครูเข้าไปฝึกเข้าไปฝึกกับครูเขาจะให้ญาติโยมแนะนำให้ญาติโยมภาวนาไม่เกินสิบนาทีความจริงใช้กำลังสิบนาทีนี่ก็ถือ ว, ว่าเวลาเร็วมากในการฝึกความเป็นพิษของจิตแล้วก็สามารถทากันได้เวลาที่ให้าภาวนาอยู่สิบนาทีก็จะคิดว่าเวลามันน้อยเกินไปจงอย่าเข้าใจว่านิวรณ์ไม่ควรใจ อย่าลืมว่านิวรณ์นี่จิตใจกับ น, นิวรณ์ไม่คบกันมานา น, น, นก็เพลิดเพลินไปกับมาหากันแล้วขณะที่ภาวนาก็ดีรูล้ลงให้ใจเขาออกก็ดีเวลานั้นจิตอาจจะเริ่มฟุ้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแทรกก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าเพิ่งตำหนิตัวว่าเลวเมื่อรู้ตัวเข้ามาแล้วก็เราก็เข้ามารู้ลงให้ใจเขาออกใหม่ภาวนาใหม่ ทำอย่างนี้อย่าคิดถึงอย่างอื่นเมื่อถึงเวลาพอเห็นครูก็เห็นว่าเวลาพอสมควรเขาก็จะเข้าไปนั่งกลางวงถ้าตั้งเป็นวงถ้ามีคนเข้าไปนั่งกลางวงโดนนั่งธนาก็ทราบว่าคนนั้นจะเข้าไปฝปึกมันต้องฝึกกันตอนนี้ขบรนดาญาโยมมุตบ ร, ริษัททุกคนเลิกภาวน า, านทันทีแล้วก็ไม่สนใจกันไม่ใจก็ออกปล่อยไปเลยทั้งสองอย่าง แต่ว่าตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำผู้แนะนำจะแนะนำในการตัดกิเลสความจริงเมื่อเราฟังเสียงผู้แนะนาขณะที่ฟังทำในด้านตัดกิเลสเวลานั้นจิตจะค่อยๆบรรเทาจากกิเลสทีละน้อยๆจิตจากกิเลสจะเริ่มห่างกันทีละหน่อยๆน่นาที่สุดก็จะห่างมากมันจะห่างชั่วคราว พอกิเลยกับจิตห่างจากการหลุดจากกันแล้วเวลานั้นจิตไม่ ม, รรมีความสกปรกพอกความสกปรกของจิตคือกิเลยจิตก็เริ่มสะอาดความมันทิพเริ่มปรากฏตอนนี้ครูก็เห็นว่าความมันทิพเริ่มปรากฏเขาก็จะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามถึงความรู้สึกไม่ถามเห็น ถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่ายั้งตัวอันนี้ไม่ผิดแน่เพราะเราฝึกจิตถ้าหากเขถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือวชายถ้ามีความรู้สึกว่าผู้หญิงหรือวู้ชายก็ตอบตามนั้นถ้าหากว่าเขาถามว่าท่านเมนั้นแต่งตัวสีอะไรก็ตอบตามความรู้สึกนี่หมายถึงว่าท่านที่ได้ยางอ่อน ตาท่านที่ได้อย่างกลางจะมีความรู้สึกเพราะว่จิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดให้ถือความรู้สึกเพระจิตเป็ขสำคัญตอบตามความรู้สึกท่านที่จิตสะอาดมากจะมีความรู้สึกเพราะวาจิตเห็นภาพชัดเจกนแกจ่มใสมากนั่นอย่างให้ตอบตามภาพได้หลังจากในครูจะแนะนำให้ทุกท่านไปพระจุลามุนีเจสฐานไอ้มาที่ธรรมสถานเขาเทวดาหระผมจะพบพระพุทธเจา้าเทวดาผมพรหมอรร翰ที่นั่น ถ้าจิตสะอาดการทุกคนมีกำลังพอพิจแนะนำปฏิผ่านนี้ว่าจะพะคนใหม่ไนงะสำหรับคนเก่าก็รู้แล้วว่ามีอะไรบ้างก็ครูจะแนะนำให้ท่องเที่ยวไปในพักต่างๆบ้างรละลึกชาติบ้างเป็นต้นอรบดายาโยงพระเทศาบดีกระชดตอนนี้ไปขอทุตันหนันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งใจสม า, า, สสม า, าทานศีลสมาทานกรรมฐาน